ฌานสพรามเราปารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระสายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิปฐมฌานเราสงัดจากการและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ทุติยฌานเพราะวิตกวิจา์สงบระงับไปแล้วเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจา์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นอยู่ตติยฌานเพราะปีติจางคลายไปแล้วเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สวยสุขด้วยนามกายได้บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจตุตฌานเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะสมณัตและธมนัตดับไปก่อนแล้วเราได้บรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่